1>, 1. สุกวิสัตธิสิกขาบท 8. ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคารทิเศษแก่พิกสุผู้พยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนณนที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปรารภท่านพระเสยยสกะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระเสยยะสกะพยายามใช้มือทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนถามในสุกกวิสัตธิสิกขาบทนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปปณะบัญญัติอยู่หรือตอบ ในสุกว um un er ิสัตถิสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติไม่มีอนุปปณะบัญญัติถามมีสัพพธบัญญัติปเทสบัญญัติอยู่หรือตอบมีสัพพถธบัญญัติถามมีสาธารณะบัญญัติอาธารณะบัญญัติอยู่หรือตอบมีอสาธารณะบัญญัติ ถามมีเอกโตบัญญัติอุพโตบัญญัติอยู่หรือตอบมีเอกโตบัญญัติถามบรรดาปาติโมกุฎเทศหอุเทศสุกกวิสัตติสิกขาบทนั้นจัดเข้าในอุเทศไหนนับเนื่องในอุเทศไหนตอบจัดเข้าในนิทานุเทศนับเนื่องในนิทานุเทศถามมาสู่อุเทศ โดยอุทเทศไหนตอบมาสู่อุทเทศโดยอุทเทศที่สถามบรรดาวิบัตสีอย่างเป็นวิบัติอย่างไหนตอบเป็นศีลวิบัติถามบรรดากองอาบัตเ7กองเป็นกองอาบัตไหนตอบเป็นกองอาบัตสังขารทิเศษถามบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐาน เกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรตอบเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจาถามบรรดาอธิกรสี่อย่างเป็นอธิกรอย่างไหนตอบเป็นอาปัตตาธิกรถามบรรดาสมถะฐเจอย่างระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบระ ง, งับด้วยสมถะ2สองอย่าง คือหนสั ม, มุขวิไนยัย 2. ปฏิญญาตการณะถามในสุกะวิสัตธิสิกขาบทนั้นอะไรเป็นพระวิไนอะไรเป็นอภิวินันตอบพระบัญญัตเป็นพระวิไนาการจำแนกเป็นอภิวินันถามในสุกะวิสัตธิสิกขาบทนั้นอะไรเป็นพระปาติโมก อะไรเป็นอธิปาติโมกตอบพระบัญญัติเป็นพระปาติโมกการจำแนกเป็นอธิปาติโมกถาม อ, อะไรเป็นวิบัติตอบความไม่สํารวมเป็นวิบัติถามอะไรเป็นสมบัติตอบความสํารวมเป็นสมบัติถามอะไรเป็นข้อปฏิบัติตอบ การที่ภิกษุสมาทานอาปาณโกติกะศีลตลอดชีวิตว่าเราจะไม่ทำกรรมอย่างนี้อีกแล้วศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเป็นข้อปฏิบัติถามพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสังคาทิเศษแก่ภิกษุผู้พยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนโดยทรงอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไหร่ตอบ พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสังฆาธิเศษแก่ภิกษุผู้พยายามทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนโดยทรงอาศัยอํานาจประโยชน์สิประการคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุขแห่งสงฆ์ 3. เพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยาก 4. เพื่อความอยู่ผาสุขแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม เพื่อปิดกั้นอาสะวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 6. เพื่อกาจัดอาสะวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรม 10. เพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยถามใครศึกษาอยู่ตอบพระเสขะและกัลยาณปุตุชนศึกษาอยู่ถามใครศึกษาสิกขาเรียบร้อยแล้วตอบพระอรหันต์เป็นผู้ศึกษาสิกข า, าเรียบร้อยแล้วถามสิกขาบทนี้ตั้งอยู่ในใครตอบตั้งอยู่ในสิกขากามบุคคล ถามใครทรงเอาไว้ตอบพระเถระทั้งหลายผู้ทรงจำสุกะวิสัตธิสิกขาบทที่หนึ่งได้ทรงเอาไว้ถามเป็นถ้อยคำของใครตอบเป็นพระดำรัตของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถามใครนำมาตอบพระเถระทั้งหลายนำสืบสืบกันมา รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมาพระเถระเหล่านี้คือพระอุบาลีพระทาสกะพระโสนกะพระสิกขะและพระโมคคะลีบุตรรวมเป็นห้ารูปเป็นผู้นำพระวินัยสืบสืบกันมาในชมพูทวีปอันมีสิริจากนั้นพระเถระผู้ประเสริ มีปัญญามากเหล่านี้คือพระมหินทะพระอิติยะพระอุติยะพระสัมภะและพระพัฒบัณฑิตเดินทางจากชมพูทวีปมาที่เกาะสิงห์หนี้ท่านเหล่านั้นสอนพระวินัยปิดกที่เกาะตามพระปัญนนิสอนนิกาย5และประกรณเจจากนั้นพระอริธะผู้มีปัญญา พระติสะทัตตบันดิตพระกาละสุมนณะผู้เชี่ยวชาญพระทีฆเถระและพระทีฆสุมนณะบันดิตต่อมาพระกาละสุมนณะพระนาะเถระพระพุทธรักิตะพระติสะเถระผู้มีปัญญาและพระเทวเถระผู้เป็นบันดิตต่อมาพระสุมนณะผู้มีปัญญาและเชี่ยวชาญในพระวินัย พระจุลนาคเป็นพระหูสูรดุจช้างซับหมันพระธรรมปาลิตะเป็นผู้อันสาธุชนในโรหนชนบทพากันบูชาเป็นอย่างดีสิทธิของพระธรรมปาลิตะนั้นมีปัญญามากชื่อว่าเขมะทรงจำพระไตรปิฎกได้รุ่งเรืองอยู่ในเกาะด้วยปัญญาเหมือนดวงจันทรุ่งเรืองอยู่พระอุปติสะ ผู้มีปัญญาพระปุษสะเทวะผู้เป็นมหาธรรมกถึกต่อมาพระสุมนณะผู้มีปัญญาพระมหาปฐุมะเป็นพระหูสูตรพระมหาศีวะผู้เป็นมหาธรรมกถึกฉลาดในพระไตรปิฎกทั้งหมดต่อมาพระอุบาลีผู้มีปัญญาเชี่ยวชาญในพระวินยัยพระมหานาคะผู้มีปัญญามาก ฉลาดในวงพระสัตธรรมต่อมาพระอภยะผู้มีปัญญาฉลาดในพระไตรปิฎกทั้งหมดพระติสาเถระผู้มีปัญญาเชี่ยวชาญในพระวินัยพระสุมาณะมีปัญญามากผู้เป็นสิทธิ์ของพระติสาเถระนั้นเป็นพระหูสูตรรักษาพระศาสนาต่อกันมาอยู่ในชมพูทวีปพระจูลาพยะ ผู้มีปัญญาและเชี่ยวชาญในพระวินยัยพระติสสะเถระผู้มีปัญญาฉลาดในวงพระสัทธรรมพระจุระเทวะผู้มีปัญญาและเชี่ยวชาญในพระวินยัยและพระสิวเถระผู้มีปัญญาฉลาดในพระวินัยทั้งหมดพระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้รู้พระวินยัยฉลาดในมักได้ประกาศพระวินัยปิฎก ไว้ในเกาะตามพระปั น, นีิ